ขความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงปโปติยานกำลังนำเสนอถึงพระพุทธตำรหรับที่พระพุทมีพระภาคเจ้ารับสั่งแก่ท่านสั ม, ม ด, ดีพรหมว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วตามคำอารัตนาของท่านจนทั้งหลายผู้ต้องการฟังจงน้อมสถามาเถิด ก็กำลังเน้นย้ำเรื่องประเด็นของศรัทธาที่จะเน้นไปที่พระพุทธคุณทางกาบทหรือเจะเชื่อถึงพระปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเพียงสามข้อก็ได้เพราะทางกาบทนั้นที่จริงก็สรุปรวมที่สามข้อเหมือนกันพระพุทธคุณทั้งเก้านั้นก็คือบทสวดที่ว่า อิติปิโสปกวาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอ拉หังเป็นประหา์สมาสุพุทโธทสัสุรีสัตสุรชอบโดยพรงเองวิชาจรณาสัมปันโนทรงสมบูรณ์ในวิชาได้เจรณะสุกโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตรโรบริสธรรมสารทิเป็นสารทีที่ฝึกปลุษได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารทิอื่นจะยิ่งไปกว่า สถาเดวมนุษย์สานังทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานพระกวาเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยภกธรรมและเป็นผู้มีโชคซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ทรงสมบูรณ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดพร้อมกัน วันนี้ท่าประชาชนลองสังเกตว่าที่จริงนระดับหนึ่งเราก็สัมผัสได้เช่นว่าเราไปรับประทานอาหารอร่อยเราจะนึกถึงคนที่เรารักถ้าใจไม่แคบเกินไปนะจะนึกถึงคนที่เรารักแล้วก็ต้องการให้เขาได้รับประทานด้วยจึงซื้อของอะนั้นมาฝาก แต่บางอย่างเราซื้อฝากไม่ได้ก็เราสูตรมาแล้วมาปรุงให้รับประทานผลการที่เรารับประทานเนี่ยมันแสดงว่าเราสัมผัสผลจากอาหารพระเจ้าก็ทรงสัมผัสผลจากการสัสรุปธรรมกระทำให้พระทัะทยของปรุงบริสุทธิ์ ก็เกิดการุณาต่อบุคคลอื่นต้องการที่จะให้สัมผัสผลอย่างที่สรงสัมผัสด้วยดังที่เคยกล่าวไว้ในตอนก่อนทีนี้ปัญหาเรื่องศรัานั้นเป็นปัญหาใหญ่ตามปกติและเราจะนำมาพูดในแนวทั่วไปเนี่ยจะพูดอยู่สี่ข้อประการแรกคือกรรมสศรัทธาเชื่อความมีอยู่ของกรรม แต่เจตนาที่บุคคลทาหรือพูดหรือแม้แต่คิดตรงไปดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆก็ได้เพราะนั้นทำให้กรรมก็จำแนกเป็นสามประเภทคือกุศลกรรมก็แปลว่ากรรมดีกุศลนั้นก็คือฉลาดอกุศลกรรมก็คือกรรมชั่วอกุศลกรรมก็คือโง่แล้วอัปยากตะกรรมคือกรรมที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่ว ดูตัวเขามันเองนะครับต่อาจจะเอาเจตนาไม่ดีเจตนาดีใส่เขาเช่นสมมตเราเดินไปเนี่ยมันเป็นเจตนาเป็นกลางกลางือเจตนาเดินไม่บาปไม่บุญอะไรแต่ถ้าเดินไปเหยียบเจตนาไปเหยียบคนหรือไปเหยียบเข้าของของคนก็แสดงว่าเป็นบาปหรือเจตนาเดินเข้าไปเพื่อจะ ไหว้พระก็ประกอบเป็นบุญการเดินนี่เดินไปเพื่อบุญแต่ว่าเดินนี่จริงๆมันเป็นกันกางมันขึ้นอยู่กับเจตนาของเรานิสิธานเนี่ยเมื่อเรากระทากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วคล้ายๆกับเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือก็เป็นกรรมการรู้หนังสือก็เป็นผลของกรรม เคยอ่านคนนั้นก็รู้ก็แสดงว่าเขาเป็นเจ้าของผลเพราะงะั้นกรรมมันมันมันจะต่อกันสามสามช่วงกรรมวิบาสแล้วก็ความเป็นเจ้าของผลการเชื่อความมีอยู่ของกรรมเรียกว่ากรรมมาศถาที่เชื่อความมีอยู่ของกรรมจะเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้ก ล, ก, ไดกลางกลางก็ได้แต่ตัวผลเนี่ยถ้ากุศลเนี่ยเขาเรียกว่าบุญถ้ากุศลเขาเรียกว่าบา ก็เป็นเรียกกันคนละขณะเท่ า, า น, นั้นเองแต่ก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละอภิญากรีทําปกติก็ไม่เคยพูดกันแต่เราเห็นว่าเราก็เรียกกรรมนะฮะเช่น อ, อ, อ, สอุสาวะกัมมังปัสสาวะกัมมังในอุจารกัมมังวาสาวะกัมมังในการขับถ่ายอุจาระปัสสาวะก็ถือว่ากรรมเหมือนกันกรรมมันก็ไม่ใช่เป็นคําพิเศษอะไรนะเป็นภาษาธรรมดาก็หมายถึงการกระทํา การทําการพูดการคิดทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์มันก็คือกรคำเพียงว่าเพียงแต่ว่าเป็นภาษาบาลีที่เราแปลมาเป็นภาษาสนันสกฤตเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีคําำคําว่าการกระทําเองก็เพิ่งเป็นภาษาใหม่นะฮะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนหลังเมก่อนภาษาไทยเรามีน้อยมีประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์นั้นเองส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาบาลีสนันสกฤต แล้วก็ภาษาเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านนี่ประมาณสักสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นเหมือนกันแล้วก็บริสันตอังกฤษนีฮยประมาณห้าสิบเอร์ซ็นตคือเยอะกว่าเพื่อนก็บางครั้งบางคราวมันก็สื่อสารกันไม่ค่อยได้เพราะว่าเรามองคล้ายๆกับเป็นการดลบันดาลเราเข้าใจบางทีเข้าใจว่าเป็นความชั่ว บทีเข้าใจว่าเป็นรูปโดนบันดาลคล้ายๆกับเป็นประกัสิตเป็นศักดิ์สิทธิ์อะไรทานองนั้นแล้วก็ต้องการผลเร็วๆโดยไม่ได้ศึกษาถึงกระบวนการของเหตุผ ล, ลเราเห็นว่าเจตนาบางอย่างเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปเช่นว่าเจตนารับประทานอาหารเป็นกรรมความอิ่มเป็นผลของกรรมใครรับประทานกนนั้นก็อิ่มอันนี้ก็เรียกว่ากรรมสาสกันตา การที่สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนคือเป็นเจ้าของผลชีวิตเราจึงผูกพันอยู่กับกรรมเรียกว่าทุกขณะได้ซ้ำไปนีแต่ทีนี้ปัญหาเรื่องกรรมเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็วิถีชีวิตของมนุษย์เราเองก็ศึกษาเรียนรู้มาหลายๆเรื่องแล้วก็ไม่มั่นใจอะไรสักเรื่องหนึ่ง น่ใคล้ายๆกับว่ามีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยคนก็วิ่งไปรถน้ำมนต์บ้างวิ่งไปสะเดาะเคราะห์บ้างวิ่งไปให้หมอดูดูดวงบ้างวิ่งไปอาบน้ำมนต์บ้างแล้วก็ว่าทรงเจ้าเข้าผีบ้างอะไรแต่อะไรก็ทำยุ่งกันไปหมดอ่ะคือไปเข้าใจว่ามันมาจากข้างนอกผลที่ไม่ดีเนี่ยมันมาจากข้างนอกพอผลดีก็มาจากดวง ก็เลยก็วิ่งก็ออกนอกหมดเลยแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยจะดีหรือชั่วเนี่ยมันเกิดที่ไหนล่ะมันเกิดที่ใครก็มาจากคนนั้นเนี่ยเหมือนผลมะ ม, ม่วงก็มาจากต้นมะม่วไม่จะมาจากที่อื่นไม่ได้เพราะถ้าหากให้ตัวนอกเป็นเหตุให้เกิดผลเนี่ยตัวนอกจะมีปัญหามากยิ่งตัวนอกใหญ่ใหญ่เช่นพระพรหมพระเจ้าอะไรต่างๆที่คนเคารพนับถือกันเนี่ย บอกว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจึงบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าส่งโรคเอสดมาลงโทษมนุษย์มันก็มีปัญหาแล้วพระผู้เป็นเจ้าทําอย่างเงี้ยเพราะขัดแยงกับสถ า, านะของท่านท่านอ้างว่าท่านเป็นผู้สร้างมนุษย์แล้วท่านรักมนุษย์เสมอกระหมดแล้วท่านก็ส่งโรคเอสดให้มากินมนุษย์บางคนไม่กินบางคนนั่นก็แสดงว่าท่านลําเอียงแล้วพระเจ้ามีปัญหาแล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนเนี่ยบารรมใดใคร่อนคนนั้นก็รับกรรมกันไปโรคเอชมันไม่ได้วิ่งมาหาเราแต่เราวิ่งไปหามัน ป, ปัญหาลักษณะเหล่านี้จริงๆมันเหมือนกับคำไทยที่เราพูดกันเนี่ยหาเรื่องคือเรื่องมันมันไม่มีหรอกเราไปหามาเอง แล้วก็ภาพที่เป็นภาพชัดๆที่เราพูดกันในสังคมไทยเนี่ยแขวงเท้าหาเสยนเห็นไหมว่าเส้นเนี่ยมันอยู่ของมันนะมันไม่ได้วิ่งมาหาคนแต่เราแขวงเท้าไปหามันเองหรือฝอยหาตะเข็บก็แสดงว่าตะเข็บมันก็อยู่ในฝอยแล้วเราถ้าเราไม่รู้ตะเข็บมันก็ไม่มากัดเราแต่รือตะเข็บมันก็กัดเา ปลาคุณทวนลมปลาทําไมเห็นไหมพอฝุ่นเข้าหน้าแล้วก็ไปโยนคนอื่นก็ได้งไงเพราะเราป่าเองถมน้ำลายรถฟ้าอย่างเงี้ยน้าลายก็ตกหน้าเราคือหมายความว่าปัญหามันไม่มีเราสร้างปัญหาเราสร้างปัญหาแทนที่จะรับวันนั้นมันเกิดขึ้นในการกระทำของเราก็ไม่รับก็โยนลูกออกนอกแต่พระพุทธเจ้านั้นสอนให้มองว่าผลกิเหตุเนี่ยมันยิดโยงต่อกัน จึงอุปมาเหมือนการปลูกพืชเอาบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงบนพื้นดินแล้วเนี่ยเขาจะรับผลของพืชชนิดนั้นคนทําความดีก็รับผลดีคนทําความชั่วก็รับผลชั่วเพราะก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราจับประเด็นอะไรไม่ได้ท่านก็สอนให้เชื่อจะเรียกว่าตถาคตโพสตถาคือเชื่อการศัสรูของพระพุทธเจ้า อย่างปัญหาที่พูดเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยนะคือถ้าเราตั้งปัญหาถามว่าเชื่อมันจะเสียหายอะไรและไม่เชื่อเนี่ยมันจะเสียหายอะไรไหมคือเราจะเห็นชัดเจนทันทีเลยเพราะนรกสวรรค์มันเป็นผลต่อเนื่องของการทําความดีในปัจจุบันและทำความชั่วในปัจจุบัน หรือแม้แต่อดีด้วยนะฮะเพราะเรามีภพชาติในอดีแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือคนตกนรกเพราะความชั่วขึ้นสวรรค์ในีพระกรรมดีแต่ว่ากรรมชั่วเมื่อไหร่กรรมดีเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ว่ากันไม่ได้รายไปคนก็กลัวจะตกนรกก็พยายามละเว้นความชั่วประพฤติปฏิบัติความดีคนหนึ่ง อยากเกิดสวรรค์ละความชั่วประพฤติความดีเหมือนกันเห็นไหมกลัวนรกก็เป็นเหตุทําความดีอยากไปสวรรค์ก็เป็นเหตุทําความดีตัวความดีนั้นเป็นกุศ ล, ล ก, กรรมแสรดกว่าทําด้วยความสลาดทีนี้สมมติว่าทําไปแล้วเนี่ยนรกสวรรค์ไม่มีบทบุญบท บ, บาปไม่มีเราก็อยู่ดีในสุขในปัจจุบันแล้วไม่มีโอกาสุนอะไร ไปไปในนรกสวรรค์ไม่มีก่อแล้วไปแต่ถ้านรกสวรรค์มีแหละเราก็เกิดในสวรรค์แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่กลัวบาปหรือเราไม่กลัวนรกหรือไม่อยากอยู่สวรรค์ก็ไม่สร้างเหตุเพื่อบังเกิดในสวรรค์แล้วก็สร้างเหตุเพื่อเกิดในนรกเอาแหละนรกสวรรค์ไม่มีเหมือนเดิม แต่ว่าเราก็เดือดร้อนในปัจจุบันอยู่ในสังคมด้วยความมีเวรมีภยัยเมีนยนไดร์ถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้ายสร้างปัญหาแยะนรกสวรรค์ไม่มีคนแล้วไปที่่ทีนี้ตีตามวรรสวรรค์นรกสวรรค์มีทำอะไรก็ตกนรกคือมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแล้วเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ใครเชื่อหรือไม่เชื่อคือคนบางคนไม่ให้ความต้องการแก่ตัวเองมากเกินไป เรื่องนี้ผมไม่เชื่อเพราไม่เห็นผมไม่เชื่อพิสูจน์ไม่ได้ผมไม่เชื่ อ, ม, ม, ม, อมันพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้คือจะเห็นว่าเอาว่าคนนี้เป็นปู่เราจริงหรือเปล่าเนี่ยเราพิสูจน์ได้ป่าว่าเป็นปู่มันพิสูจน์ไม่ได้มันก็ต้องเชื่อคนอื่นบอกเท่านั้นนะแม้แต่คนนี้คือแม่ของเราคนนี้คือพ่อของเราเนี่ยเราก็พิสูจน์ไม่ได้นอกจากเชื่อ มนชีวิตส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ความเชื่อคือการใช้ความเชื่อมนุษย์ไม่สามารถจะไปรอบรู้อะไรได้มากมายไกลกลองนะนะความความสามารถจํากัดแล้วก็เวลาชีวิตเนี่ยมันจํากัดเราจะขอศึกษาค้นคว้าก่อนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่การสาคัญมันอยู่ที่วัตถุนั้นควรเชื่อไหมล่ะบุคคล น, นั้นควรเชื่อไหมล่ะทีนี้คนถ้าไม่เชื่อคนระ ด, ดับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะนะ ในโลกนี้ไม่มีใครน่าเชื่อเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวที่ไม่สอนข้าหาพระองค์ไม่เป็นห่วงใหญ่ความเคารพนับถือศรัทธาดูแลเอาใจใส่จากศาสนิกก่อนจะไปนิพพานเน่ยไม่ได้ประโรคอะไรพระองค์เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลา ย, าลา ย, าาลายมีความเสื่อมฉลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังปราบความประมาทให้สมบูรณ์ไม่ได้พูดเพื่อพระองค์ไลซึ่งพิการศาสดาบางศาสนาสั่งสอนศาสนิกทั้งหลายเธอจงเที่ยวไปในโลกทั้งปวงทั้งสิน้นจงนาคนทั้งหลายมารู้จักเรานําคนทั้งหลายมานับถือเรานําคนทั้งหลายมาบำรุงบรรเลงเราอะไรนักหนาก็ไม่รู้มีแต่ความโลภมังมา ก, มา ก, มากอยากใหญ่ คนคนเดียวใหญ่โตขนาดไหนจะให้คนมาบำรุงบำเรอกันเป็นล้านๆเนี่ยบำรุงบำบุงได้ยังไงพระพุทเจ้านั้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะไม่สอนเพื่ อ, รรอพระองค์เองพระองค์ที่ยิงเสร็จภารกิจส่วนพระองค์ไปตั้งแต่ต้นโพนั่นแหละก็เสร็จแล้วจะสอนหรือไม่สอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นระอรหันต์แล้วนะฮะแต่ไม่เป็นอรหันต์สมมาสมิธะนะ อย่างมากก็เป็นพระปัิเจ ก, กธธาพระพุทธเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งต้องสัจรู้ดีรู้ชอบโดยพระองเองแล้วก็สองต้องสอนให้ผู้คนอื่นสัจจะรู้ตามพระองค์ได้ด้วยจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ไม่เวียนว่าแต่เกิดในสังสาร ว, วัฏสมมติว่าจะ น, นิพพานที่ต้นโพนั่นแหละสัจรู้เสร็จ น, นิพพานซะเลยพระองค์ก็ ไม่ต้องเวียนว่าตายเกิดในสังสาระทุกแล้วแต่ว่าโลกไม่ได้อะไรจากพระองค์เท่านั้นเองเพราะ 24-25 ปีต่อมาเนี่ยเป็นการอยู่เพื่อคนอื่นไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์เพราะจึงเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลที่ควรชั่วยมากที่สุดในโลกได้ไม่มีปัญหาที่ควรจะค้นใจสงสัยในประเด็นเหล่านี้ ทีนลักษณะของศรัทธาเนี่ยท่านจำแนกแสดงถึงความเข้มข้นนะฮะที่จริงก็คือความเข้มข้นว่าเข้มข้นมากหรือเข้มข้นน้อยเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจับหลักอะไรไม่ได้แร้วมันเรื่องมันเกินไปลึกซึ้งเกินไปอย่างเรื่องนรลกสวรรค์เนี่ยต้องเชื่อพระพุทธเจ้าลูกเดียวมือนก็นเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าแต่ยังไม่ใช่มือนกันเชื่อพ่อแม่เนี่ยว่าคนนี้คือปู่คนนี้คือย่าคนนี้คือตาคนนี้ ค, คนใหญ่ พ่อแม่เป็นคนบอกเราไม่รู้หรอกท่านเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ท่านเป็นพ่อแม่เราหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยเราเชื่อทั้งนั้นเพราะงั้นปริมาณของศรัทธาเนี่ยบางทีมันจะทําให้ตั้งหลักได้บางทีมันก็แกวง่งที่ก็เรียกบางทีก็เรียกง่ายๆนะเรียกว่าจลาศราัทธาจลาศรัทธา จารัสตาก็คือสตธธาร์วัวเต่าผัวผูกพัวโผลดีไม่ค่อยได้อ่ะสามวันดีสี่วันรายพูดกันไม่ค่อรู้เรื่องแต่ว่าถ้าจารัสตาแล้วจะไม่หวั่นไหวคนจะเป็นยังไงก็ตามสมมติว่าเนี่ยคือคนบางคนเนี่ยเท่าคนนี้ก็ตัวเองเก่งนะเขามีข่าวพระไม่ดีแล้วเดือนนี้เราเห็นพระไม่อยากไหวไม่อยากไหวเสียมือเวืนี้เรานับถือเฉพาะพระพุทธประธรรม่นับถือไปสงฆ์นึกว่าโกดด้ตายแล้ว่ะ เือแสดงว่าไม่รู้อะไรเลยมันเรื่องอะไรอะ่ะคนอื่นก็ทําชั่วแล้วขอทําชั่วด้วยเรื่องอะไรมไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าเราไปให้ความสาคัญแก่ตัวเองมากเกินไปคล้ายๆกับว่าแต่เราไม่นับถื อ, อศาสนาจะอยู่ไม่ได้หรือคล้ายๆกับถ้าเราไม่เชื่อว่านารกสวรรค์มีแล้วานารกสวรรค์มันจะไม่มีเพราะเราไม่เชื่อมันไม่ใช่ อ, อย่างนั้น มนุษย์ไม่เชื่อทั้งโลกเมื่อเขามีเขาก็มีมนุษย์ไม่เชื่อหมดทั้งโลกเมื่อเขาไม่มีเขาก็ไม่มีเห็นไหมเขามีหรือไม่มีเนี่ยมันไม่อยู่ในใครเชื่อไม่เชื่อมันเหมือนข่อยมาลัยเนี่ยสมมติว่าคนไม่เชื่อว่ามีเขาอยมาลายมันก็มีเขาอยมาลายคนเชื่อว่ามีเขาอยมาลัยมันก็ไม่ได้เพิ่มเขาอิมาลัยขึ้นมามันก็มีเท่าที่มันมีอะในโลกสวรรค์เองก็เป็นอย่างนั้น รกสวรรค์มันมีมาก่อนเราพุทธเจ้าจะเกิดพุทธเจ้ากี่พระองค์พระองค์ก็สอนเรื่องนรกสวรรค์การให้ความต้องการเก็ตัวเองโดยไม่ได้นึกถึงกฎเกณฑ์เนี่ยไม่ได้นึกถึงหลกักเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นการทําลายตัวเองให้ตกต่ำลงไปท่านเพราะความศรัทธาเลื่อมใสท่านจริงเน้นอย่างเนี่ยตถาคตโพธิสวัที่ว่าเนี่ยท่านเรียกอย่างหนึ่งว่าภาษาธาตศรัทธา ที่เรามักจะได้ยินเวลาพระเทศเนี่ยบทนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสน า, ส า, นาธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับศรัทธาภาษาทาเพิ่มพูนศรัทธาภาษาทะนะฮะความเชื่อความเรื่อมใสของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นก็แสดงว่าภาษาทาศรัทธานั้นคือความเชื่อความเรื่มใสที่มีอยู่โดยปกติของบุคคล ท, ทั่วไปเช่นเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง แล้วบางทีก็ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยสามารถตอบได้แต่เราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสรัรรจริงคือทำยังไงจะโดยเสด็จรอ ย, อยุขนบาทประสาสดาเราคงไปไม่ถึงแล้วนะฮะแต่ว่าให้อยู่บนเส้นฐานเส้นฐานของการสรัสรูซึ่งในภาคสนามที่จริงไม่ยากนะ ท้องฟังลองสังเกตดูว่าสมมตหิหน้าที่หน้าที่อุบาสกอุบาสกนะฮะหน้าที่อุบาสกะะอุบาสอุบสิการะดรับอุบาสกแก้วบาสิกาแก้วเนี่ยหนึ่งศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระพุทธคุณนะฮะสองเป็นผู้มีศีลสามเชื่อกดแห่งกรรมไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกฎแหงกรรมสี่ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาห้า แสวงหาเฉพาะเกียรติบุญในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นทั้งไงแสดงเห็นเรื่องปัญญาแสดงเห็นเรื่องความบริสุทธิ์แสดงให้เห็นเรื่อ ง, ง, งความเมตตากรุณามม อ, นะอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ศีลนะศีลนี่คืออภัยทานนะที่จริงศีลก็เหมือนกับอภัยทานนะั่นแหละก็แสดงว่าถ้าเรามีคุณสมบัติเหล่านี้เราก็โยดยเสิ้นสุดรอยจะคนบ า, าบตพระพุทธเจ้าแล้ว หรือแม้แต่สามีทำหน้าที่ของสามีดีปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาดีนี้มันก็เป็นการสัมผัสประพุทธคุณระดับหนึ่งคือมีปัญญาระดับหนึ่งมีบริสุทธิ์ระดับหนึ่งมีเมตตากรุณาระดับหนึ่งนะเช่นว่าเมง่ยกย่องนักถือสถานะของปัญญาก็แสดงว่าเป็นความเมตตากรุณาไม่ดูหมิน่นก็เมตตากรุณา ไม่นอกใจก็แสดงบริสุทธิ์มอบความเป็นใหญ่ให้เขาแสดงถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ความเมตตากรุณาแต่ ป, ปัญญาด้วยนะตัวเนี้ยแล้วก็ให้ของขวัญของขวักให้รางวัลอะไรต่างๆก็เป็นความเมตตากรุณาเป็นปัญญาคุณแล้วก็กรุณา เ, เมตตากรุณาหรือว่าปัญญาเช่นว่าจัด ก, การงานดีเนี่ยเป็นปัญญา สมฆรข้าวคนข้า ง, า ง, างเคงีงกับสามีดีเนี่ยเป็นเมตตาไม่นอกใจสามีนี่เป็นบริสุทธิ์รู้จักบริหารจัดการรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้เนี่ยเป็นปัญญาเป็นบริสุทธิ์แล้วก็ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงเนี่ยเป็นปัญญาเป็นบริสุทธิ์เห็นไหมว่าเราก็เดินไปตามรอยอยุคคุบาทของพระพุทธเจ้าอะไรแต่ว่าทํำยังไงมันจะใกล้ใกล้ชิดมากกว่านั้น ตอนนี้ก็เดินนั่นแหละแต่ก็เดินหางไปหน่อยแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันหนักแน่นขึ้นคือได้ตั้งข้อสังเกตลองดูนะฮะามาเคยทำวิมานวัตถุเรียบเรียงย่อนีุตกะนิกายทำเป็นเล่มพระสุตตันตปิฎกคุตการนิกายจะสังเกตว่า ธรรมะปฏิบัติที่เป็นเอกให้อีกคนตายไปแล้วบังเกิดเป็นเทพบุตรเทิธิดาเนี่ยเป็นธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาไม่ใช่ธรรมะระดับสูงสูงอะไรไม่พูดถึงกรรมฐานอะไรอะไรหรอกธรรมะศีลธรรมยัญญาธรรมดาธรรมดานี่นะวันเรื่องเหล่านี้ถ้าเราศรัทธาพอสมควรนะฮะมันก็สามารถสร้างทางแห่งสวรรค์ได้เพราะว่าศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสเบียงคือกุศล ผูกฝังทั้งหลายแต่ลงประพธิญาณในวันนี้ขอยุติไววโดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อการามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตรงกันสวัสดี